รังทากันลำดับลำนำจำเป็นเหมือนกันการอาหารใจารการบริก็รอาหารคืออาหารกับข้าวเราก็ทานกันทุกวันการชอาตอนกลางวันตอนเย็น ไม่ทานไม่ได้ก็เหมือนเป็นพลังงานแต่อาหารใจก็ต้องจำเป็นต้องวันุชนเจตนาสัมผัสกับอาหารคือธรรมะมีผู้ องผู้แต่งให้ความหลงไม่เป็นอาหารความโกรธไม่เป็นอาหารความทุกข์ไม่เป็นอาหารความไม่หลงความไม่โกรธความไม่ทุกข์เป็นอาหารถ้าไปบวชเดีย ค, ความหลงความีพี้ยนเมตภัยเป็นโทษเป็นโทษ เหมือนกับเราไปบริโภคกสิ่งที่เป็นพิษทำให้เราเจ็บป่วยได้ของหลงความโกรธความทุกข์ทำให้เราป่วยทางจิตวิญญาณเป็นโรคโรคอันนี้คือเดินความทุกข์ต่อ ตัวเองไม่พอยังมีผลกระทกต่อคนอื่นสิ่งสืนวัตถุอื่นด้วยเราก็เป็นสัดสังคมมีพ่อมีแม่มีลกูกมีหลานมีพันยาสามีมีเพื่อนมีมิตรถ้าเราไม่มีโลกเรานี่ก็ทำให้เกิดประวัติโลก อย่างที่เราสาธิยายพระโชดมิตรดีเพื่อ น, นดีชายดีเพราะไม่เป็นโลกแนะนำดีสางสอนดีนี่ก็ทั้งหมดคือของพหมจรรย์ต้องให้เหนือการเกิด เ, เจ็บตายด้วยวาจันทร์น โมริภูรกโนสัญเจตาหารพัจหานพัจจสัมผัสจ้ำผัสกับความหลงสัมผัสความรู้อะไรเป็นผิดเป็นถูกหรือว่าสัมพัาาจฐานจำเป็นสัมผัสกับความรู้จึกตัว มันมีชีวิตชีวาอาหารประเภทนี้ไม่เก่ไม่เจ็บไม่ตายอนจากความแก่ความเจ็บความตายโจกับวิธีว่าทุกทงนัดวิสาทิได้แตงจำเป็นเที่ยวต้องมาตะกรอบมาทรมันเรามีเนื้อนามีศรัทธาในน้องผลมีความเพียร มีจิไม่เข้าปูกมีสมาธิคือคาดเคยไถมีปัญญาใหยน้่เข้าไหยน้่งออกเวลามันหลงเอาออกเอาความไม่หลงเข้ามา อย่ามันหลงลหรู้ให้เรียว่าไข่หน้าเข้าไข่หน้าออกถ้าเราขาดพลังทั้งาอยา่างนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้บางคนเจ่คนเท่าคนเก็บคนเก็บจะหาศรัทธาได้ยากเพราะของเก็บปิดบัง ความแก่เท่าหาชะตาเรียบพอความแก่เท่าปิดปังว่าหายากเหมือนกับหน้าฝนก็สามารถปลูกอะไรได้เหมือนแต่มีศรัทธาปูกความดีได้มีความเพียร แล้วก็ทำได้อย่างนี้ก็ให้รีบให้ด่วนนิดหน่อยถ้าไม่รีบดวนก็หมดโอกาสได้เวลาท่านว่าคอยเถิดพ่ออย่าล่องล่อพายตะวันจะสายตลาดจะวายสายวัวจะเน่าก็มันวายมันเน่ามันทบไปไม่ได้ มันมีการมีเวลาอยู่ชีวิตของเราเนี่ยเตือนแต่เดึกศึกแตนุมเวลานี้เราก็พร้อมแล้วเป็นมีเป็นเพื่อนกันแล้วนี้พระธรรมคำสอนโชว์อยู่เสมอให้เป็นสิทธิของเราใจชีวิตให้มีสิทธิดิกระศิ์ชีวิตเราไม่ต้องรักใช้คนอื่น ดิกระชิดไม่งอกเปนงามทางอื่นไอ้งอกงามทางความรู้สึกตัวตัวมไม่ทุกข์ตัไม่หลงเนี่ยม จ, จะให้เกิดความทุกข์ความหลงความโกรธมันไม่งอกเหมือนก็บเขาดิกระชิดพันธุ์พืชที่มันเอามาปลูกแม่แต่พันุ์เดียวกัน เม็ดแตงเม็ดปักทองหลงตาเคยปลูกกแตงชื่อมาเป็นพันสองพันเอามาเพาะไม่เกิดเอามาปลูกไม่เกิดเกิดขึ้นก็ไม่มีเถาไม่มีลูกเป็นพุม่มปักทองก็เหมอือนกันเมล็กอก็ไม่กิน ปลูกผักท้องปกูกาเลากอไม่ได้กินแล้วปกแตงปลูกถั่วไม่ได้กินต้องไปซื้อพันธ์พืชของเขามาปลูกเขาลิขิตแล้วจำเป็นต้องซื้อเขาอันน่าก็เป็นส่วนหนึ่งแต่แต่ความเป็นธรรมเนี่ยยังเป็นสาคนอยู่ เราหลงเมื่อใดเรารู้ไ ด, ด, ได้เป็นของที่ทำนายอาศัยความไม่หลงเป็นฌานะมีคำสอนทั้งหมดบอกไว้ทั้งหมดนอกจากผู้เจ้าสองทรงสอนแล้วแตงมีพระสาอกอีกมาไม่ทุ่นที่สอน เราไปอ่านตำราในพระสูตรต่างๆมาจากพิดกต่างๆคำสอนแต่ละลูกมีประโยชน์ไม่จนแนแต่คำสอนของคาารูบาอาจารย์บราพุรบของเราทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่เยอะแยะไปเลยสามารถที่จะหาได้ง่ายไม่จนอยู่ในตัวเราก็มี คำสอนพระเจ้าอยู่ในตัวเราอันที่ถูกก็อยู่กับตัวเราอันที่ผิดก็อยู่กับตัวเราอันที่ถูกที่ทุกก็อยู่กับตัวเราแต่หลือเด็กเราที่ยังไม่ทำครับแต่ทำน้อยๆไม่เพียงพอน้ำน้อยอยอดแพร่ไปตองลู้มีน้อยผมหลงมีมาก มันไม่พอใช้ต้องขยันสักหน่อยจึงมีวิชากรรมฐานขึ้นมาให้มันทันเวลาหนึ่งวันเจ็ดวันหนึ่งเดือนเจ็ดเดือนหนึ่งปีเจ็ดปีนี่เป็นการท้าทายต่อบางกระทาแบบนี้ได้ผลเหนือการกิเจ็เจ็บตายได้ ล้วก็มีการเกิดแก่เจ็บตายได้แต่เราต้องนั่งต้นอย่าเข้าไปให้มันเหนือเ่อยไปทางต่ำมันหลงรู้ไปทางเหนือเหนือถ้ามันหลงหลงสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์มันต่ำมันขึ้นไม่ได้ถ้ามั่งกุญแจพานไปที่สูงเอาขึ้นไม่ได้ ต้องลาดหากตามผ้าโดยเข่าไม่ได้พิธีดัดก็ต้องถากนั้นหลงลู่ว่าเอาออกแล้วพระเจ้าก็บอกแล้วเราหายของข่วงขึ้นแล้วเราเปิดของปิดออกแล้วเราเฉือนอันเป็นส่วนชิลิ่วทิ้งออกแล้ว ส่วนชีริววิเจ้าเฉือนลกหมดด้ือจะส่วนดีบอกแล้วไม่ต้องสงสัยเวยลามันหลงรู้ขึ้นมาเวลามันโกรธไม่โกรธเวลามันทุกข์ไม่ทุกข์ที่มันอยู่กับเราเนี่ยเราก็สนุกดีแล้วก็มีเท่านี้เธอเธก็เห็น มันหลงที่กายหลงที่ใจก็เปลี่ยนมันหลง่ให้เป็นลูกที่เรียกก็หัดหัดดูหัดเลือนหูเลือนตาหัดเห็นหัดตูจึงมีจึงจะเกิดการเห็นขึ้นมาถ้าไม่ดูก็ไม่เห็นไม่มีใครตาบอดถ้าคนไม่ดูอะไร ไม่มีใครหงหลวก็ไม่ฟังเสียงอะไรบางทีเราก็พูดเราก็สอนมาทีเราก็สอนเราก็เห็นอยู่ก็เหมือนสอนก็ไม่เท่ากับเราสอนตัวเองถ้าเราสอนตัวเองเนี่ยมันจะชัดเจนดีได้บทเรียนดีตัวมผิดทําำไมเราไม่ผิดปัญหาทํามเราไม่ทําให้เกิดปัญญาโอมลบล้วนสิ่งเหล่านี้ทําไม เอาเรียกว่า <ti be life> yeah. ปัญญาก็เรารู้ในกองสังขารกายสังขารจิตสังขานทุกคนก็มีสังขารคือมันป่องไปมันไหลไปไม่หยุดไม่หย่อนดิสังขารคือหยุดเหมือนน้าที่มันไหลให้มันหยุดลดมันบิ้งก็ให้มันหยุด ถ้าอันไหนที่มันไหลไปมันหยุดไม่ได้ก็ใช่ไม่ได้รถมันวิ่งมีแต่วิ่งมันหยุดไม่ได้ก็ใช่ไม่ได้ประตูมันเปิดมันได้มันปิดไม่ได้ก็ใช่ไม่ได้มันตรงมันข้ามอยู่มีทุกข์ก็มีไม่ทุกข์จึงใช่ได้มีโกรธก็มีไม่โกรธมีหลงก็มีไม่หลงมันจึงคิดเป็นชีวิตที่ใช่ได้แต่เราต้องใช้ให้มัน จำนี้ํำนานมันเราใช่อะไรที่มันํำนานจะเป็นศาสตร์เป็นฉินเหงอนปดิ ญ, ญามันสนโมกที่อาจารย์พุทธาสว่าปรปฏิ ญ, ญาสนโมกคือตายก่อนตาย ถ้าใครอยู่สวนโมกถ้าไม่ตายก่อนตายไม่ได้ปัญญาจริงเข้าจรแมวอแบบน้ำในคูเป็นอยู่เหมือนตายแล้วถ้าใครไม่ถึงจุดนี้ยังไม่สำเร็จยังไม่จบสวนโมกเรียกว่าปัญญาสวนโมกอะไรคือมันตาย อันความไม่ดีมันตายเคยสุบดีบุรีมันตายไม่มีเชื่อเค้ยจินเล่าเล่ามันตายเอ้ยหลงของหลงมันตายเคยโกรธความโกรธมันตายความทุกข์เคยทุกข์มันทุกข์ความทุกข์มันตายเอ้ยที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษมันตายมันเหลือแต่ชีวิตรวนร้วนไม่ใช่ตายแบบเข้าหลงหายใจไม่ได้ พระพุทธเจ้าได้ปิณิพานตั้งแต่อายุพระชนมายุ26ปี3 5ปีหรือว<ะ>่า<ะ>ตายแล้วแต่ยังทรงสอสงสอนอยู่จนถึงปาลินิพาน45ปีไม่ใช่ตายแบบเนื้อนหนังตายแบบ พิษภัยที่มันมีโทษในตัวเรามันมีโทษลายมันตายไหมทุกเป็นทุกเหลือโกรธเป็นโกรธหลงเป็นหลงแต่เราก็หาดอยู่เนี่ยเห็นกายจักว่ากายไม่ใช่จดบุคคลตัวตนเราเขาหน่าน่ามันตายไปแล้วมันเตรียมตัวตาย เวทนาสักเวทนาไม่ใช่สัจปู่คตัวตนโลาขโขเห็นจิตก็สักว่าจิตไม่ใช่สัจปู่คตัวตนโลาขโขเห็นธรรมที่เป็นอารมณ์ที่เกิดกับใจเป็นความสุขความทุกข์ว่าเหงาหอนอนที่เดืตดหาลาคา่ะ จากว่าทมไม่ใช่จัดปุกคนโตตนลเขาเตียง ต, ต, ต, ตัวตายลือถน<ม>โกงสร้างมันอยู่ตรงนี้มันหลงจ<ม>ิงที่หลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือจิตที่มันชอบหลง<ม>เป็นใหญ่ขั่วกาย แน่กายมีแล้วก็ยืนยนกกย่นให้จิตตาเห็นรูปก็ยื่นให้จิตหูได้ยินเสียงก็ยื่นสู่จิตกายสัมผัสก็รู้ยื่นให้จิตในจิตก็มีจิตจิตแท้ๆไม่มีอะไรแต่อารมณ์ไป จรไปนั่นชลาหลังนี้เป็นจิตอารมณ์เหมือนจรมาที่หลังอะไรที่จรมามาใสชลาหลังนี้ถ้ามาเป็นสิ่งที่จรมาดีก็ดีไปสิ่งที่ถอดมาไม่ดีก็เสียหายไปถ้าหลงเป็นหลงเสียไปแล้ว ทดลองไม่ได้ทุกเป็นทุกเสียไปแล้วทดลองมาได้เอาคืนไม่ได้โกรธเป็นโกรธเสียไปแล้วเอาคืนไม่ได้ไม่ใช่ทดลองทดลองลอกทุกทลองพอใจไม่พอใจนั้นก็เป็นรอยอยู่นั่นเป็นรอยของ บุญของบาปถ้าหลงก็เป็นรอยของความหลงถ้าหลงอยู่บ่อยๆก็มากหลงก็กบกว่านั้นอื่นเอาความโลภออกหน้าความทุกข์ออกหน้าถ้ามันหลงบ่อยมันจึงทดลองไม่ได้เราจึงมาหัดรู้เดียวเดือมันหลงให้มีความรู้พร้อมพร้อมกันไป เปลี่ยนหลงเป็นลูกพ่อๆมันไปอย่างเนี้ยล้วก็ทําใายทุกคนจนไม่มีรอยเหมือนไฟตกใส่ขารีบปัดออกถ้าไม่ปัดก็เป็นแผลเป็นมันก็ถูกแล้วมันไม่ถูกเฉยเฉยมันก็ ไม่ความหลงถ้าหลงหน้าก็เป็นความโกรธเป็นความทุกข์ไม่ไปกกลความลักความชังไปไกลสแสดงความโกรธก็แสดงออกทางกายทางกรรมเป็นกิเลสเป็นกรรมเปวิบากกิเลสเป็นกรรม เป็นวิบากเช่นสูบุหรีสูบเป็นกรรมทดลองไม่ได้เพราะสูบไปเรื่องก็เป็นกรรมแล้วเมื่อกรรมก็มีกิเลสติดแล้วพอติดก็มีวิบากอยากแล้วพอสูบก็ติดพอติดก็อยากพออยากก็สูบวนเวียนกันไป อย่างนี้เรียกว่ากิเลสกรรมไม่บากมันทดลองม่ได้ล้วไม่สฉบมก็ไม่ติดเพราะไม่ติดก็ไม่อยากเพราะไม่อยากก็ไม่สูบมันแค่อย่างนี้จึงแก้ที่กรรมเราจึงมีวิชากรรมฐานแก้แก่กรรมเป็นการเช็นกรรม ก็ลหลงก็รู้ไม่เวลามันไม่หลงก็รู้เป็นเจ้าบ้านเจ้าเลือนอยู่อย่างนี้มันจะเป็นกรรมดีกรรมลูกก็มีอะไรเก้ดไปอีกแล้วความชั่วกรรมลูกก็ทำความดีกรรมลูกก็จิตใจบริสุทธิ์ไม่เปื้อเปืเป้อนไปทางนี้กรรลูก ความชั่วเป็นศีลทำกุศลเป็นสมาธิเรามันหลงลูเป็นปัญญาเพราะปัญญาไม่เกิดจากความปัญหาปัญหาทำให้เกิดปัญญาถ้าปัญหาเกิดปัญหา <c oughs> หกา็ไม่ได้ฉึกฉาไม่จะหลงเป็นปุถุชน ผู้ทุชนก็ต้องศึกษาผู้ถูแปลว่าหลงเป็นหลงเป็น ผ, ผู้ทุชนและจะมาหัดกันวิชากรรมฐานตัวใครตัวมันช่วยกันไม่ได้โอกากดีนาทีดองต้อเห็นความหลงอยู่นั่นแหละทางถ้เป็นผู้หลงมันมืดจะ ต, ต้องมีทางเอาไว้ทางคือดู ภาวะที่ดูนี่ดูกลอยเคลื่อนไหวเวลามันคิดก็เห็นมันอย่าเข้าไปเป็นด้วยว่าดูถ้าดูก็เห็นทางถ้าเป็นก็ไม่เห็นน้องตาเลยพูดว่าเป็นผู้ดูอย่าเป็นผู้เป็นมันคือทั้งหมดแล้วแล้วก็หลุดพ้น อ, อยู่ตรงนี้ถ้าใช่นี้เป็นไหน สำนักน้นสำนักนี้ที่น้นที่นี่อาจารย์น้อนอาจารย์นี้ที่ไหนก็คือเกิดจากเรานี่แหละถ้าดูก็เห็นถ้าไม่ดูก็ไม่เห็นก็ฟีไปอ็เลยเมื่อจุเ่นนั้นเป็นอวิชชา อาชาอยเกิดสังขารสังขารคอยเกิดดาวลูกไปเป็นพบเป็นภูมิไปก็ไม่ดูไม่เขาก็ไม่ีโอกาสไม่ควบคุมแล้วก็มีโอกาสสาธารณะสมสรนไม่ไม่ลิขิตตัวเองแล้วรักวนสงวนตัว ไม่ใช่ไม่เป็นก็เป็นทุกข์เป็นโทษชัดเราเจ็บไข้หรือป่วยไม่ใช่มันเจ็บเป็นเรื่องของเราที่เราเจ็บเจ็บมันมาจากวันก่อนๆมันเจ็บมันเพราะเป็นทำมาวันก่อนๆชั่วโมงก่อนๆวันก่อนๆเดืนอนก่อนๆปีก่อนๆเรารู้เดี๋ยวนี้ แล้วก็ป้องกันเราลูกเดี๋ยวนี้มันก็แช่แช่กรรมในวันก่อนแล้วก็ป้องกันในวันข้างหน้าถ้าลูกเดี๋ยวนี้นะมันเป็นทั้งอดีตเป็นบรนทักปัจจุบันมันเป็นทั้งอนาคตมันจึงทําได้อย่างนี้หรือว่าปฏิบัติธรรมมันศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ เรารู้สึกตัวเดี๋ยวนี้เท่ากับเราแคบปัญหาที่ความผิดพลาดวันกน่อนเรารู้เดี๋ยวนี้คือเราป้องกันในปัญหาในวันข้างหน้ามันเป็นไปอย่างนี้ไม่ใช่มันไม่มีผลเพราะอย่างนี้มีอย่างนี้ก็ไม่มีแต่อย่างนี้ไม่มีอย่างนี้ก็มี มันมีเหตุแต่อย่างนี้ไม่มีอย่างนี้ก็มีเจ็ดไม่มีความรู้ก็มีความโกรธมีความทุกข์แต่มีความรู้อย่างนี้ก็ไม่มีอันหนึ่งมีอันหนึ่งไม่มีถ้ามีความรู้มันก็ไปไปไหนมันเห็น มันก็ไม่มีความหลงมันมีความทุกข์มันมีความโกรธมันมีการปรงแต่งมันหยุดการหยุดปรุงเรียกว่าวิสังขารวิสังขารเรียกว่านิพานนิพานนน้อยไปนิพานไม่ใช่มาพิ่พับเหมือนด้ามลากมาหาใหญ่ไม่ใช่แบบนั้นว้ชุ่มชื่นไป นิพพานเชื่อมรองมาไม่ยากในความเป็นเที่ยงก็มีนิพพานในความเป็นทุกข์ก็มีนิพพานในความเป็นใช่ตัวตนก็มีนิพพานแต่ปูุ่ชนมาเป็นทุกข์พระเจ้าวมาเป็นนิพพานพระอรหันต์มาเป็นนิพพานได้ประโยชน์เขาเห็นทุกข์จึงพ้นจากทุกข์ แล้วก็มีทุกข์ตอนนั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ตอนตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ตอนนั้นดับไปไม่มีอะไรถ้าเรายังมีทุกข์ก็ได้แหละเหตุอยู่ตรงนั้นเราก็เจ้ตรงนี้น่ะการเจ้าก็ไม่ยากรูปแบบกอมาฐานจึงได้เป็นทุกข์จริงนั้นไม่ใช่ตัวตนเรีวยกว่า อาถา <c oughs> อาถาลือถอนแล้วก็สาธยายพระสูตรแม่ตโดย่ออปทานขันทังห้าเป็นตัวทุกข์เป้าหูป้าหูล า, สาสหัสสาเสนีพระเจ้าทรง ส, สอนสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมาก ชาวโลกทั้งหลายก็รู้เรื่องนี้เป็นส่วนมากสิ่งใดเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งล้นม่ใช่ตัวตนสิ่งใดเป็นทุกสิ่งล้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งน้นไม่ใช่ตัวตนจึนงใด ไ, ไม่ใช่ตัวต น, นไม่ควรยึดว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราแล้วก็สาธยาอยู่ อย่าความไม่เที่ยงมเย า, าเป็นทุกข์อย่าเอาความเป็นทุกข์มาเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัว ต, วตวเนเด็ดขาดแต่ไปเสียเปรียบมันก็บอกแล้วว่าความไปเที่ยงความไปใช่ตัวตนไปขวัวน้ำเหลวหาเหงาเสียตัวเองต่างหากเมื่อเราหลงไม่เห็นแ้งตามควาเป็นจริงผู้ที่ศึกษาจะได้ประโยชน์จะยิ้มน่อยน้อยเวลาบรรทุก แทนที่จะล่าโบดล่าเมึงเป็นความสดชื่นเวลามันทุกข์เนี่ยเวลามันหลงอ่ะเวลามาโกรธเนี่ยไม่มีความไม่โกรธไม่จนตรงนี้มีทางพบฐานตรงนี้ได้แน่นอนหลงที่ใดก็รู้ตรงนั่นทันทีโกรธที่ใด้รู้ตรงนั่นทันทีนี่คือ สูตรเป็นอย่างนี้เกิ น, น, นห้าลบห้าก็ต้องเหลือศูนย์ห้าบวก้าก็ต้องได้สิบมันเป็นสูตรสากลแบบสมมุติบัญญัติของโลกแต่สูตรของชีวิตเราเนี่ยมันก็มีนั่นมีศูนไม่มีค่าความสุขไม่มีค่าความทุกข์ไม่มีค่าความโกรธไม่มีค่าค ลองโลภของหลงไม่มีค่ากับมรักของจังไม่มีค่าจึงใช้ได้หลงตัวพอดีถ้ามันเฉดมันเหลือไม่หลงตัวเอาให้มันไม่เหลืออะไรหรอกให้เหลือศูนย์ศูนยึดตาไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนศูนยึดตา บางทีก็ว่ า, วานิพพานบางทีก็ว่าเย็นบางทีก็ว่าดับไม่เหลือบางทีก็ว่าว่างมางพูดสมัยทุกวันนี้มีอาจารย์พุทธาตแบบว่างมีบางอาจารย์ก็ว่าสุญญตาตั้งชื่อตัวเอง พระธาตุก็ตั้งชื่อว่าพุทธธาตุน้องชายพุทธธาตุก็เรียกธรรมธาตุในพระรูปตังนี้ชวนโนกเพื่อนกันกับหลองต า, ตานี่ว่าสุยตถาธาตุในรูปหนึ่งอยู่จังหวัดอุดรว่าสังคธาตุคือรับใช้พุทธเจ้า ในตัวยังอยู่หรือเปล่าสุนิสาธาตุสังฆธาตุเนี่ยอาจจะยังอยู่สุนิสาด้วยไม่เจอเกันในหลายปีมาแล้วแล้วคือรับใช้พระพุทธเจ้าเป็นาธาตุผู้เจ้าจึงเรียกว่าพุทธทาธาตุม่เป็นาธาตุของใครเรีดว่าความบ้าง พูดเลยว่าจิตนิตาเผยแพย่สุตนิตาสุตนิตาคืออะไรมนเพื่อนคนหนึง่งเป็นคนกีนบวชอุชาเดียวกันแต่เขาบวชที่หลังของตาเขาศึกษาเรื่องเชนมาพบกันที่คงเทพเขารล่ว่าชวนไปศึกษาเรื่องเชน เชนก็พูด oh, ยังไงสุนิตาสุนิตตสุนิตตสุนิตาก็พูดเลยเวลาตาเวลาตาเห็นโูกไม่ด่วนละไม่ด่วนไปเฉดเวลาหูได้ยินเสียงไม่ด่วนละไม่ด่วนไปเฉดเวลาจมูกได้กลิ่นดิ้นในรถไม่ด่วนละไม่ด่วนไปเฉด เวลาเขานินทาไม่ด่วนรับไม่ด่วนไปเชิดเวลาเขาสอนรั้งเสรินไม่ด่วนรับไม่ด่วนไปเชิดนี่เรียกว่าส่วนยึดตานั่นก็คือจิตินี่แหละที่เราหมาลู่นี่แหละบางทีบางสำนักไม่รับอะไรมาแล้วบอกเคิร์นไอ้คนไอ้คนหลงมาบอกเคิร์น ความทุกขมาบอกเคืองความทุกข์มาบอกเคืองไปไม่มีที่ให้อยู่สักตะพานออกถ้าหมาก็สักตะพานออกเข้าไม่ถึงสักตะพานไม่แล้วไม่เป็นอะไรแล้วน้องตาไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนี่แต่คนพูดไปมากเล่า็เลยพูดว่าไม่เป็นอะไรกับอะลาเราเดียวกันทั้งหมด จุดอตามันกันที่บอกว่าไม่ดวนรับไม่ด่วนไปเะเจอแล้ก็คือไม่เป็นอะไรกับอะไรกันละที่แบบความบ้างก็คือคมไม่เป็นอะไรกับอะไรนอกจากที่เป็นคำสอนเที่ปัจจุบันนี้อาจารย์กรรมาฐานทั้งหลายที่สอนกันอยู่เนี่ยไม่แตกต่างกันอย่าไปคิดว่ามันต่างกันเลย เรื่องสติเรื่องกายเรื่องจิตนีก็มีหวังกันมีกายมีจิตกายเป็นเรือใจเป็นนายแล้วก็มีเจ้าของเรือผู้ขับเรียกว่าสติกตมีแต่นายมีแต่เรือไม่มี มีหางเสือก็ไปไม่ถึงฝั่งเวลามันหลงลู่หางเสือเวลามันโครลู่หางเสือไปทางตรงถ้าหลงลู่ตรงถ้าหลงเป็นหลงไม่ตรงเนิ่นช้าโคดโค้งไปแล้วนี่มันมีผีเหมือจริงๆนั่น้หมันทาได้จริงๆนั่นะ ไม่มีอะไรที่แม่นยํำชัดเจนเท่านี้ทะลุทะลวงได้ทะลุทะลวงความหลงโล่งทะลุทะลวงความโกรธโลง่งบ่อยไม่มืดไ ม, ไม่ไม่ติดหน้าผาลาดไปเหมืนคนแต่ก้ามีพลังคนอ่อนแอย่องไม่มีพลังอะไรหลงเป็นหลงอ่อนแอ หลงเป็นลู ก, ลกแก่กล้าอ่อนแอหลงเป็นหลงหรกรรมมชั่นกาลโยกไปไม่ถึงไหนไปไม่ถึงทุกเป็นทุกก า, าการมมชั่นกาโยกทุกเป็นทุกกรรมมชั่นกาโยกดอันสุขเขมันสุขมัชฌิมัมมปฏิปทา มันทุกข์เห็นมันทุกข์มัดขี้มังงาปฏิปทามันโกรธเห็นมันโกรธเป็นบัตรขีบางอปฏิปทาไปแล้วเป็นทางไปแล้วแล้วก็ถึงแล้วเอาความโกรธว้หลังเหงั้นเดินทางเอาบ้านนั่นเมื่อนี้ผ่านไว้หลังออกไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆผ่านความหลงผ่านความทุกข์ผ่านความโกรธผ่านความพอใจผ่านว่ามไม่พอใจ ผ่านอะไรทุกอย่างในชีวิตนี่ที่มันเป็นทั้งหลายนามแต่เมา่ไม่เป็นนี่คือมันผ่านชีวิตที่มันเป็นทางผ่านไปจนถึงจุดหมายปลายทางก็ไม่เป็นหลายมันสุดยอดมองกฎรรมุฎทำกระโดดนีกำลังได้ดีมากกระโจนเข้าใส่กระโจนเข้าใส่จริงกัดขัง ถ้าคนอ่นอนแอก็แพ้ประลายชัยถ้าหลงเป็นหลงว่าพ่ายแพ้ประลายชัยก็โจรไม่ออกถูกปนถูกทุกข์กทุกก็โจรไม่ออกคนไม่มีพลังแลวมีศรัทธาพลังของลักศรัทธาคือความเชื่อในความเพียรคือเหมือนาน้ำผล ในสติมันเข้าปลูกมีสมาธิเหมือนขันถายมีปัญญาเหมือนไข่ล้ามเข้าขาน้ำออกในพลังพลั ง, ลงอันนีิจจาวิานทรียก็ได้ใหญ่โตสติอินทรีไม่ใช่ตามเปใหญ่หูเป็นใหญ่จมูกดิ้นกายใจเป็นใหญ่สติเป็นใหญ่แล้วอินทรีสติอินทรียใหญ่ที่สุดแล้ว มีพลังพลังเนี่ยทำได้ไม่หลงเป็นหลงไม่อ่อนอแอต่มีสัาติไม่สัมผัสสัมผัสไม่ถูกต้องกวอมหลงไม่ถูกต้องความไม่หลงถูกต้องสิทธิ100อยไปเฉยควมโกรธถูกต้อง เรไม่โกห ถ, ถูกต้องร0อยเเนได้ประโยชน์ตรงนี้เหมือนเวลาในฝนตกเราทำอะไรฝนตกนันตาก็มาคิดว่าน่าจะปลูกต้นออยางนายางนาปลูกที่ไหนปลูกป่าไผ่อนตาไปปลูกป่าไผ่วัดภูกรทองขึ้นงามที่สุดเลย ไม่เคยทำทุลองปีนี้ขึ้นได้ดีเขียวดีกว่าปลูกเสรือนววดเราก็มีปา่าไปน่าจะปลูกอย่างหนาต้นอย่างกำลังปลูกดีแค่นี้กลังหนุ่มน้อยกำลังเป็นเบญญพันธ์สามารถก้อ ง, งามได้ดีถ้าไปปลูกดนะ้าถ้าไปเลี้ยงไปแล้วดูแลกลัวจะให้น้ำไม่สมอเสมอจะเกล็น แจ่เกนขึ้นยากถ้าปลูกตอนนี้ขึ้นได้ดีนะถ้าจะให้คนปลูกก็คนจะปลูกในช่วงนี้พอดีพอดีเถียนก็รักษานี่รีดดูฝนมีสูตรจะปลูกอะไรปีหนึ่งเป็นมีสูตรถ้าเป็นชาวบ้านชานะพริกกี่ต้นเขยกี่ต้นมะกรูดกี่ต้นต้นหมากลางไม้กี่ต้นมีสูตรเป็นสูตรไปสูตรไปไม่จน ไม่จนถ้ามีสูตรสูตรชีวิตเรากำลังกันไม่จนไม่จนเราความหลงต้องวันทั้งเกินเราไม่สติอยู่รู้สึกตัวอยู่เราก็เป็นเพื่อนเป็นเมตกันอยู่เนี่ยบอบุนใจดีนี่คือวาจาร์แล้วก็ช่วยกันให้โอกากันแต่ปีนี้จะมีพระมาก ก็เป็นเป็นตุลาช่วยกันหน่อยไม่ชีก็ไปช่วยกันรบกันใครอยากจะมีโอกาสปฏิบัติให้โอกาสกันจะเขี่ยวเข็นกันถ้าไม่มีครมหาก็อาจารย์ตุง้งหาคนมาทำมันก็จำเป็นไม่คีนี่ผู้หญิงอาภับกว่าผู้ชาย เป็นพละมากกว่าพวกเราเห็นใจจริงๆถ้าให้เราไปทำกลัว ก, ก, ก็ไม่ยอมรับเคยอยู่ที่นี่สมัไหมก่อนๆใอ้พระทำอาหารแถวคนไม่ยอมรับนั้นจำเป็นก็ต้องเดี๋ยวนี้วาชิกาไม่คีเป็นพระมากที่สุดอะไรก็เป็นอ่า อธิการอธิการเสนาชนะก็เป็นผู้หญิงแทนที่จะเป็นพระนะแต่ใครมาอยู่ก็โทรถสมหาคนแจ่คนระนีย้ายคนมาพระไปไม่มีคนนี้ก็ต้องมาน่าจะเป็นพระเป็นอธิการเสนาชนะไม่เคยมีนะอธิการอาหารอธิการคัง อธิการเจนาชนะมีเทพะนะหรือว่าอธิการเจนาชนะเนี่ยนัอ่อมีผู้หญิงกันก็มีผู้ชายภิกษุ ก, ก็ก็มีเหมือนกันแต่ช่วยกันบ้างก็ดีท่นหลวงต่อให้ก็ทำเลยมาแล้วยอมแล้ว แต่ก่อนเคยอยู่กติลังไหนถ้าไม่เปลี่ยนไม่ไม่เห็นหน้าตาไม่เห็นไม่อยู่อันนี้ป่วยมาอยู่นี่ก็คนหมอบอกว่าไม่ค่อยดีให้อยากให้ไปอยู่กติลังเขาสุขภาพดีไหมกับไปอยู่ลังก็ไป <laughs> ไปอยู่กันตง อาศัยเริตุม้มไม่ตายเพราะเจริตุ้มจรนดคนหมูเจริตุม้มเจรินดคู่ชีวิตกันสสองปีสี่เก้าหนะ้าศูนย์ะพวกเราด้วยนะนะอาจจะอาจจะมีพระมาอีกอาจจะย้ายไปอยู่โน่นให้พระมาอยู่กันนะ นะท่าสมควรจะเป็าคาพระผ้ามือน